เรื่องภิกษุหลายรูป170สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายพากันมีความยำเกรงจึงไม่ยอมให้จีวแรแลกเปลี่ยนกับภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันตำหนีประนามโพลธ น, นาว่าฉนะัยภิกษุทั้งหลายจึงไม่ยอมให้จีวแรแลกเปลี่ยนกับพวกเราเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินภิกษุณีทั้งหลายตำหนีประนามโพนธน า, นาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ